ถ้าเราจะสวดให้ไพเราะนะถ้าเราจะสวดให้ไพเราะเนะี่ยสวดที่เป็นบทประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองนะที่เป็นบทภาษาบาลีมันมีทั้งร้อยแก้วมีทั้งร้อยกรองเช่นอย่างปุญญัสีดานิกตัตตะสยะนัญญาณิกตานิเมเนเี่มันมีลงหนักลงเบาข้างมันอยู่นะนี่แหละเข า, า, าเรียกว่าคาถา คุญญาสีดานิกาตัสายานัญญานิกาตานิเมเตสญจะภาคิโนหนตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจามาตาปิตาจะยาไดโยไม่หังมาตาปิตาไดโย ดิทวาเมจาปะยะดิทาวาอันเยมาชาตาเวริโนไม่ใช่เรามาหยุดแค่ปุญญัสิดานิกตาตสสะยานัญญานิกตานิมิไม่ใช่คือเราพยายามจับจังหวะให้มันได้กันมันจะไพเราะ <c oughs> มันมีลงมันมีลงตามสระสั้นสระยาวของมันอยู่มันมีบังคับอยู่อันนี้เขาก็ไปพิมพ์ผิดเยอะเลยเนี่ย ผิดวักผิดตอนผิดอะไรเอะเด็กเอาบัตรตเข้าไปบวชเนี่ยเขาก็มีเครื่องพิมพ์มีเครื่องทําเครื่องอะไรเขาก็ไปทําทําแล้วก็ไม่ได้ให้เรามาดูดอกเอามาใช้เลย <laughs> ทําแล้วเอามาใช้เลยเขาก็ไปเลือ ก, เ ล, อกเลือกผิดเลือกถูกองอะไรเนี่ ย, ยพิมเพราะได้ติดไม่ติดมือ ก็ดีทำให้เราสวดได้เป็นพื้นเป็นพื้นเป็นพืชมาโดยที่ไม่ต้องหยุดบอกกันหน้าหน้าหน้านั่นหน้านี้ช่วยเป็นคู่มือได้ไอปุญจศิดานิ่กาตัศานี่ก็เป็นเป็นบทแผ่ส่วนบุญเหมือนกันนะอันนี้รัชกาลที่สี่ท่านเป็นคนท่านท่านเป็นคนเรียบเรียงท่านเป็นคนประพันเนี่ย ท่านเป็นคนแต่งบุญยศิดานิกาตตาญาญยา น, น, ยนิกาตานิเมเนี่แผ่อุทิศส่วนบุญให้แก่ไปดูในคําแปลมีมีคําแปลการอุทิศส่วนบุญมันก็เป็นปฏิธานะไมบ่บุญบุญสําเร็จแก่เราด้วยการที่เราให้อุทิศส่วนบุญอุทิศส่วนบุญท่านเรียกว่าปฏิทานะไมยบุญ นะอย่าลืมว่าบุญเนี่เป็นสมบัติของใจนะเป็นสมบัติของใจของผู้ธทรรมคือของเราเนี่ยเราเป็นคนทรรมเราเป็นผู้ธทรรมเราเป็นคนได้เราอุทิศส่วนบุญคือคุณงามความดีที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยให้แก่คนที่เราระลึกได้มีใครปิดามารดารวมไปถึงสับสรพสัตทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี่เราอุทิศส่วนบุญนี้ทั้งหมดเพื่อแผ่ไปไม่มีไม่มีประมาณอุทิศส่วนบุญไป เป็นการได้บุญเพิ่มมาอีกปฏิทานะมัยยะมยะมยะแปลว่าสำเร็จบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญปฏิทานะมัยบุญบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญปัตตานุโมธนามัยบุญบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญสมมุติว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้ยินได้ฟังได้รับทราบแล้ว เขามาอนโมธนาเขาก็ได้รับส่วนบุญนั้นไปไหมายความว่าเขาได้ยินได้ฟังเขารู้จักเขามาอนโมธนาเอาบางทีเขาบางทีคำอ น, อนโมธนาเนี่ยคยๆว่าเขาให้มาแบบไม่เจาะจงเอาใครก็ได้นะอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้มีส่วนได้รับผลบุญอันนี้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยใครที่อยู่ในนั้นจะเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตาม โอ้ซาตุเขาก็ปล่อยมีส่วนได้รับผลบุญไปแต่ถ้าเราไประ บ, บุเป็นชื่อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรตัวอไรไม่มีเจ้ากรรมไม่มีนายเวรไม่มีสรพสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ไม่ ไ, มได้ระ บ, บุเขาก็อดสมมุติอย่างเขานั่งอยู่ด้วยกันในที่นี้หมที่ส่วนบุญให้กับพ่อกับแม่กับใครซึ่งอยู่ในห้องนี้แต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันเนี่ยไม่มีออกชื่อเขาเขาเอ้ เขาไม่ได้เรียกเราเขาไม่ได้บอกเราเราไม่มีส่วนเราไม่มีส่วนอันนี้เราหมายถึงว่าผู้ล่วงรับไปเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปเขาได้ยินได้ฟังได้รับทราบและมาอนุโมทนาเอาอันนี้กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือเราทำบุญและอุทิศส่วนบุญไปก็เหมือนกันนั่นแหละเช่นอย่างเรามีทาบุญถวาย พัตนาหารถวายสังฆทานถวายกรถิ่นถวายผ้าป่าถวายอะไรก็ตามเนี่ยและอุทิศส่วนบุญที่เราทําสดสดร้อนๆตอนนั้นเนี่ยไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขาได้ไดรับและอีกอันหนึ่งผู้ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเช่นอย่างพวกเรามามาฝึกมาอบรมเนี่ยมาฝึก อ่ากร็รมฐานเนี่ยมาฝึกท่องมาฝึกสวดมาฝึกอบรมใจทําให้ใจสงบเนี่ยแหละทีนี้พอผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรตัวอะไรก็ตามของเราเนี่ยอเขารับทราบเขาได้ยินได้ฟังหรือไม่เขาก็มาพบมาเห็นมารู้ว่าเขาเรามาทําอย่างนี้เขา้าโอ้อนัอนโมสนาบุญด้วยนะอะอนุโมสนาบุญด้วยนะ คำว่าอนโมทนาแปลว่าพลอยยินดีด้วยนะคำว่าพลอยยินดีด้วยมันเป็นการเปิดใจรับมันไม่ใช่เป็นการปิดใจปฏิเสธนะในเมื่อเราเปิดใจรับเท่ากับเราเปิดภาชนะบุญต่างๆเหล่านั้นก็ยังความปลื้มปีติยินดีให้กับคนที่เข้ามาโมทนากับเราเพราะฉะนั้นคำว่า อนุโมทนาหม่บุญบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญอนุโมทนาคื อ, คอพลอยยินดีได้แต่จะให้ได้เท่ากับเจ้าของธทรมนี่มันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ให้เราไปพิจารณากันนะระหว่างคนหนึ่งทำเต็มที่เสียสละน้ําพักน้ําแรงอะไรทั้งหมดกับอีกคนหนึ่งมาคอยอ น, อนุโมทนาเนี่ยท่านคิดว่าจะได้เท่ากันไหมอันนี้ให้เราพิจารณากันแล้วกันแหละเหมือนอย่างเราไปสแสวงหาทรัพย์ได้มาน่ะ เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยกับคนที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วก็แจกไปเราก็แบ่งแจกเข้าไปห้าบาทสิบาทอย่างเงี้ยหรือเราจะให้เขาไปไปทั้งหมดเหรออืมแต่ว่าท่านว่าบุญภายในใจนั้นเราให้ทั้งหมดเลยเราให้ไปเท่าไหร่ก็ได้ผมผลเพิ่มขึ้นมามากเท่านั้นมันไม่เหมือนวัตถุบุญภายในใจของเราไม่หมดเราอุทิศไปเท่าไหร่บุญเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าเดิม อุทิศไปทลายบุญเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าเดิมเพราะมันเป็นผลภายในใจก็เราดูความยินดีภายในใจของเราเนี่ยเช่นอย่างความยินดีต่อจากนี้ทราบถึงคนนั้นคนนั้นยินดีทราบถึงคนนั้นคนนั้นยินดีทราบถึงคนนั้นคนนั้นยินดีมีความยินดีปลื้มปิติยินดีเท่าเทียมกันหมดไอคนที่ทําให้เขายินดีก็ยังมีความยินดียิ่งยินดีเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเรามาเทียบดูอย่างนี้ริ่งยิ่งดีใจเพิ่มเข้าไปอีก สม at, มติว่าเมื่อก่อนเราดีใจเพื่อนธรรมดานเพราะโอ้คนนี้อันโมทนาด้วยคนนี้อันโมทนาด้วยโอ้ยปลืมม้มปีติยินดีจนน้ำหูน้ำตาไหลนะเห็นไหมอันนี้ก็คืออะไรคือคุณสมบัติมันเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนวัตถุไม่เหมือนสิ่งของเรื่องของบุญทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ใจแคบทำดีแล้วท่านให้แผ่ส่วนบุญไปแผ่ส่วนบุญไปให้แก่สัตว์ที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อ่า แผ่ส่วนบุญไปให้แก่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้รวมถึงญาติถึงพี่ถึงน้องถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็แผ่ส่วนบุญไปไม่มีประมาณหลังจากเราแผ่ไปแล้วเราก็มีความสบายใจเพิ่มขึ้นอือันนี้คือการมันเป็นการได้บุญได้ดอกได้ผลเพิ่มขึ้นจากบุญที่เราทําแล้วแทนที่เราจะได้มาและจํากัดกอบโกยไว้เฉพาะตัวแผ่ไปอีกเอา้ากลับเป็นได้เพิ่มมาอีก สมมติเราทำบุญเราได้10เราแพรไปทั้งหมดเลยไม่หวงไว้เฉพาะตนบุญเพิ่มมาอีก10เท่ากับได้2ี่เนี่ยผลผ ล, ผลบุญมันเพิ่มอย่างงี้เราทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามญาติทั้งหลายจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามผลบุญต่างๆเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมได้เท่าเดิมแล้วไม่พอเราอุทิศไปผลบุญก็เพิ่มขึ้นมาอีกเราสังเกตดูที่ใจของเราบุญ เกิดขึ้นที่ใจของเราเราทำอะไรที่เราเรียกว่าเราทำบุญเราทำบุญเราสังเกตได้ไหมว่าบุญเกิดที่ใจมันเกิดยังไงสังเกตไปที่ใจมรู้บุญให้ผลในปัจจุบันทันทีนั่นเองจากนั้นแล้วบุญก็เป็นวิบากกรรมคอยส่งผลต่อเนื่องไปเหมือนอย่างเรามีเงินฝากธนาคารอ้าวหนึ่งพบาทเราก็ดีใจปลื้มใจในคราวที่เราไปฝากจากนั้นแล้ว มันก็มีดอกมีผลเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ยืดยาวออกไป mm hmm. เพราะฉะนั้นบุญให้ผลตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่หมดยังจะคอยตามให้ดอกให้ผลเพิ่มภูนเราไปวันนี้วันหน้าพบพบนี้พบหน้ามันก็ตามให้ผลไปเรื่อยอเหมือนกับเหมือนกับเราฝากกองทุนเอาไว้ดอกผลมันก็เจริญงเงาะเงยเจริญเงาะงามไปไปด้วยทีนี้ ถ้าเราพูดถึงบาปบ้างถ้าเราพูดถึงแต่บุญเราไม่พูดถึงบาปสมมติเราลงทุนทําบาปลงทุนทําบาปหนักเรายกตัวอย่างเช่นอย่างพระโมคคัลลาเนี่ยท่านไปฆ่ามัรดาของตัวเองเนี่ยเป็นการลงทุนทําบาปหนักถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราไปกู้หนี้ยืมสินเขาจานวนมากเรากู้มาแล้วเนี่ยเรามีดอกมีผลมีต้นให้ไม่พอ ให้วันนี้ไม่พอให้วันหน้าไม่พอปีนี้ไม่พอปีหน้าไม่พออ่าก็ต่อไปเรื่อยๆจบชีวิตอีกยังไม่ยังไม่หมดก็คือไม่หมดหนี้ทีนี้ไอ้ ก, การที่เราลงทุนทำกรรมหนักถึงขนาดนั้นเหมือนกับเราลงทุนกู้หนี้ยืมสินเขาใช้ดอกใช้ต้นใช้ดอกใช้ต้นใช้ไปเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดเห็นไหมพระพระโขนขลานะท่านใช้มา4 500ชาติแล้วก็ยังไม่หมด ยังต้องดอกส่งดอกส่งผลผลกรรมหนักๆที่ท่านทํากับแม่ของท่าน่ะส่งไม่หมดในที่สุดชาติสุดท้ายท่านเป็นพระอารหันต์แล้วผลกรรม น, นั้นมันก็ตามมาเอาข้างมันไปตามมายึดอสมมติมีบ้านไปอยู่ในธนาคารรถไปอยู่ในธนาคารเขาก็ตามมายึดไปแต่ตอนนี้บ้า น, น, นก็เป็นบ้านร้างแล้วท่านเสียสละไปแล้วรถก็เป็นรถร้างท่านทิ้งไปแล้วอัตภาพร่างกายของท่านเหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับรถร้าง กรรมทั้งหลายก็ตามได้แต่กากตามได้แต่เศษกากกรรมเศษกรรมที่เราทําไว้ใจซึ่งเป็นผู้ดําริซึ่งเป็นผู้ทําสามารถจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสร้างกรรมสร้างกรรมดีเพิ่มขึ้นมากๆเพิ่มขึ้นมากๆชาระไอ้กรรมเก่า ม, มันก็มีมันก็ตามมาแต่ในที่สุดมันตามกรรมดีไม่ทันเพราะเพราะกรรมที่มันตอกมันคอยให้ผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ย กับนามธรรมา ท, ที่เราคอยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงทุกระยะทุกเวลาเนี่ยมันตามไม่ทันเห็นไหมได้พอท่านได้เป็ียนพระอรหันต์ปั๊บความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่รูปไม่ใช่ร่างกายอันนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ตั้ง5ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันธ์อันนี้การสละธาตุขันธ์อันนี้ได้ตั้งหากนั่นแหละคือความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจิตของท่า น, ท, านท่านทิ้งไปแล้ว บ้านก็เหมือนกับบ้านร้างมันไม่ยึดไปรถก็เหมือนกับรถร้างมันไม่ยึดกันไปเคยเป็นหนี้เขาไปกู้หนี้ยืมสิไลรใช้ไม่หมดเขาตามมายึดไปนี่คือคือเราเทียบเคียงนะการที่เราลงทุนลงรอนทํากรรมหนักอให้ผลวันนี้ไม่พอพรุ่งนี้ไม่พอชาตินี้ไม่พอชาติหน้าไม่พอกี่ชาติเป็นห้าร้อยชาติเนี่ยเราคิดดูเหตุผลมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดนึกล อ, ลอยแบบเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรคิดประกอบ เราก็คล่องคาเราก็สงสัยผู้ที่สำกรรมที่แท้จริงก็คือใจแต่ใจนี่สามารถพลิกแปลงแปลงเปลี่ยนแปลงได้ทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆศาสตร์ต่างๆรวมมาถึงว่าการพยากรอะไรต่างๆเช่นอย่างพยากรนิ้วมือพยากรรูปร่างลักษณะพยากรอะไรก็ตามเราพยากรได้แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรมสามารถพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงได้ทุกระยะทุกเวลาการทํางานของจิตการสร้างกรรมภายในจิตเนี่ยแต่ละขณะแต่ะขณะแต่ละขณะแต่ละขณะขก็คือมันสร้างกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะมันจะไปตามทันเลยเพราะฉะนั้นลายมือลายตีนอะไรทั้งหลายมันจะตามทันเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัตถุอ่าก็เหมือนอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านทากรรมหนักถึงขนาดนั้นก็ตามพอท่านพยายามฝึกฝนอบรมมาเพื่อชาระเพื่อ เพื่อทิ้งเศษกรรมวิบากกรรมอันนี้ท่านก็นสามารถฝึกจนจิตของท่านหลุดไปพ้นไปภาวะของจิตที่หลุดพ้นไปกับภาวะของกายมันคนละอันนะมันคนละอันปกติร่างกายของเราของท่านเป็นวิบากกรรมเก่าเป็นผลิตผลของกิเลส ด, ด้วยทําด้วยประกอบกันมีส่วนประกอบกันเพรอๆกันถ้าบาปมากกว่าก็บาปลงทุนมากกว่าถ้าบุญมากกว่าเราก็ลงทุนมาแล้วมากกว่า คงจะมีความสุขมากกว่าแต่ใครลงทุนถ้ากรรมมันลงทุนมามากกว่าเราก็อยู่ทุกยากลาบากมีความทุกข์มีความลําบากมากกว่านี่เราพูดถึงกรรมกรรมทั้งหลายเหล่านี้เราดูเราประสบพบเห็นที่ใจของเราให้ผลในขณะทันทีที่เราทําบุญดูให้เห็นดูให้ออกให้ออ ก, ออกอย่าไปคิดว่าทําบุญแล้วไม่ได้บุญถ้าเราปฏิเสธว่าเราทําบุญแล้วไม่ได้บุญเนี่ย เรานี่มืดหนาตาเถื่อนมากไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรคือบุญปฏิเสธบางคนก็มีความจงใจปฏิเสธโดยที่ไม่ได้ใช้มือคิดสติปัญญาอะไรมาพิจารณาถ้าเป็นเดินก็เอาหัวเดินชนกําแพงไปเลยถ้าเป็นทุบดินก็ทุบไปเลยหลับตาทุบมันก็ถูกอ่ะทุบพื้นอ่ะคือหลับตาพูดเขาเรียกหลับตาพูดหลับตาชนกําแพงแต่เรื่องของความจริงนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยของมัน ถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาคร่ครวนตามได้เราก็รู้ทันได้ทราบทันได้เราจะเห็นว่าลทัทธินอกพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนสมัยปัจจุบันเนี่ยบางอย่างเขาก็ปฏิเสธบางอย่างเขาก็รับบางอย่างที่เขารับบางทีก็ไม่มีความจริงไม่มีความเป็นจริงบางอย่างเขาปฏิเสธบางทีก็ไม่มีความเป็นจริ ง, ง, ง, เ, เ, ง, เ, เ, รงเพราะความไม่แน่นอนในการไปรู้ไปเห็นไปจัดไปทำ มันจึงมีความไม่แน่นอนมันไม่เหมือนพระศาสราของเรามีพระสัพพัญญุตยานสามารถรู้เห็นทะลุลุโปร่ปงหมดเพียงแต่กำหนดจิตชื่อลองดูเท่านั้นข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงก็ปรากฏที่พระไถ่ทราบหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหนท่านไม่เคยมี GPS เอท่านไม่เคยมีคนนาทางท่านไปได้เลยท่านหลับตาปาวอ๋ออยู่ตรงนั้นไปได้เลย หลับตาปับ๊บอ๋ออยู่ตรงนั้นไปได้เลยเพราะเครื่องมือที่เป็นพระยานอยู่ข้างในมันแน่นอนกว่าอะไรอย่างอื่นอีกนี่อันนี้เราเราพูดถึงกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านไปเกี่ยวข้องในปัจจุบันทีนี้กรรมทั้งเป็นส่วนอดีตอดีตของพระองค์พระองค์ก็รู้จักอดีตของคนอื่นสัตว์อื่นก็รู้จักกรรมที่คนอื่นสัตว์อื่นทําในปัจจุบันท่านก็รู้จัก ที่กำลังจะทำในปัจจุบันท่านก็รู้จักเพราะฉะนั้นปัจจุบันนังสยาน ต, ต, ยตีตังสยานยานล่วงรู้ข้างหน้ า, ายานล่วงรู้สิ่งที่มาจากข้างหลังแ อ, อ, อนาคตังสยานยานที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยคว่ายานก็คือความรู้ เ, เพียงแต่กำหนดความรู้ใส่เท่านั้นแหละมันทะลุ ป, ปุกปรงไปหมด ร, รู้เห็นเข้าใจไปหมด คนเราเมื่อรู้ปัจจุบันด้วยรู้อดีตที่ผ่านมาด้วยรู้อนาคตที่จะไปข้างหน้าด้วยแล้วมันจะมีอะไรมาปิดบงังดวงสติดวงปัญญาของเราได้มันไม่มีอะไรปิดบงังพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบงังทะลุปโ ป, ปร่งหมดนะสมมติอย่างท่านนะมาเห็นพวกเราแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยท่านก็รู้เลยโอ้คนนี้เมื่อก่อนเคยเกิดเป็นนู่นอยู่ที่นู่นได้รับความสุขอย่างนั้นได้รับความทุกข์อย่างนั้นโดยเหตุตายโดยเหตุนั้นมาเกิดที่นี่ อยู่ที่นี่ทําน้นทํานี้อะไรรู้หมดรู้ข้างหน้ารู้ข้างหลังของเรารู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเรารู้ว่าข้างหน้าจากนี้ไปแล้วเราจะไปไหนเราจะทําอะไรรู้แม้ว่ารู้แม้กระทั่งว่าจิตที่จะต้องไปเกิดที่โน่นที่นี่รู้แม้แต่ขณะจิตที่กําลังจะคิดจะพูดอะไรเดียวนี้ตอนนี้นี่เราดูพระยานของพระพุทธเจ้ารู้ทะลุโ ป, ปร่ปปรงกับ คนที่ใช้สติใช้ปัญญาใช้สัญญาคาดคาดเดาเดาโดยปฏิของคนเราเนี่ยเราก็จะมีภาวะขันทั้ง5้านี่เหมือนกันนะเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมนามขันทั้ง4มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณนะขันประกอบกันเป็นขันห้าขันห้านี่ก็เรียกว่ารูปกับนามเนี่ยใครเกิดชาติ ในชาติชั้นวรณะไหนก็ตามเป็นแขกเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นอะไรก็มีขันห้าเหมือนกันหมดมีวิบากกรรมติดตัวเหมือนกันหมดมีหนักมีเบาเหมือนกันหมดมีโง่มีฉลาดมีดีมีชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการที่เอาศาสนาธรรมของพระองค์มาฝึกมา ฝ, มาฝนมาอบมารมเพื่อชำระเพื่อขัดเกลาหัวใจ ของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นจึงสามารถเป็นไปได้เหมือนกันหมดอย่างสมัยพุทธกาลทำไมคนถึงตกค้างอยู่มากมายทำไมไม่ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าท่านไปก็เพราะกรรมไม่เคยสร้างมาเพื่อได้ร่วมกันนะก็ไปเป็นเดระธีเป็นลูกสิทธิ์ของสัญชัยบ้างเป็นลลกสิทธิ์ของปุราณะบ้างมัคคิริโคสาละบ้างอจิตะกัมพลบ้าง เป็นเจ้าลัทธิในสมัยนั้นต่างก็มีความพอใจมีความยินดีไปตามความนึกความคิดตามกรรมของตนของตนไปแต่กับพระศาสดาถ้าใครเคยมีความนึกคิดร่วมกันเคยสร้างบุญบา ร, รมีมาด้วยกันก็จะได้ประสบพบเห็นเห็นแล้วก็เกิดความเชื่อเกิดความเคืิอมใสยอมตัวรับฝังเมื่อรับฝังแล้วก็ธรรมะ ต, ต่างๆเหล่านั้นก็ยังเข้าถึงจิตใจแล้วก็มองเห็นตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดง หมายความว่าใจมันลงลงลงที่ลงทางไปในในเส้นทางที่เป็นที่เป็นธรรมก็คือได้บรรลุธรรมนี่คือบุญกรรมมันเกี่ยวข้องมันผูกพันกันอยู่อย่างนี้เขาไม่เลื่อมใสศรัทธาเพราะเขาไม่เคยตั้งบุญญาบา ร, รมีมาด้วยกันไอ้ที่เขามาไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้มารับรู้ธรรมก็เพราะเขาไม่มีความศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เป็นท้องคาทั้งแท่งนั่นแหละ กับไอคนหนึ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมาพอเห็นป้าบโอ้นี่ครูของเรานี่อาจารย์ของเรายินดียอมรับฟังอะไรทุกอย่างมาประพฤติตามมาปฏิบัติตามเราคิดดูแต่ปัญจะวัคคีย์ทั้งห้านี่ตามมั่นใจว่าตามอุปธรรมวัาสิทธตัฏฐะได้บรรลุธรรมเมื่อไรและจะได้สอนเราบ้างได้บรรลุธรรมเมื่อไรและจะได้สอนเราบ้างตามไปทุกหนทุกแห่ง แต่ในขณะที่เขาตามไปเขาก็มีข้อวัดมีข้อวัดมีการประพฤติปฏิบัติของเขามีการประพฤติปฏิบัติของเขาการรักษาศีลเขาก็ทําเป็นประจำการฝึกฝน อ, อบรมจิตให้ได้รับความสงบที่เขาเรียกว่าสมาธิเขาก็ฝึกฝึกฝนอบรมเป็นประจำแต่ว่ามันไม่สามารถจะแหวกกรงขังนี้ออกไปได้ต้องอาศัยคนที่มีบุญญาบารมีเช่นอย่างศิทฐ์ธถรที่ผ่านการทํานายทายทักมาแล้ว ทํานายทายทักตามอดีตที่เป็นมาแล้วคือกรรมเก่าส่งมาดีแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้ น, นก็เลยตามอุปธรรมประทาในที่สุดเห็นท่านทําผิดแนวผิดแถวที่จะของถือก็คิดว่าโอ้ท่านคลายความเพียรแล้วหมดโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมแล้วแหละทำหย่อนยานขนาดนี้จะบรรลุธรรมได้ยังไงนีแล้วพวกเราหมดหวังแล้วอ่า นีก็คือหนีปัญจวัคคีย์ก็คือปัญจวัคคีสิธทธัตก็คือสิทธัตถันมันคนละคนกันหัวใจมันคนละดวงกันไม่ใช่ปัญจวัคคีย์หมายยังไงสิทธัตก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อนี่เราเห็นว่ากิเลสในใจของคนเราเนี่ยมันชอบไปกะไปเกณฑ์ไปหมายคนนั้นว่ายอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างงี้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างงี้คิดว่าเขาเนี่ต่ํำสามชั่วช้าลามกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เกิดดูถูกดูหมิ่นเหยียดยม้มเอาทิฏฐิอามาณะไปขม่มเหงไปรังแกอะไรเขาแต่แท้จริงข้างในเขาเนี่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราว่าเขาเราก็ว่าไปเรายิ่งกลับได้บาปได้กรรมเพิ่มขึ้นแต่เขาเนะ่ยเป็นการจําระขัดเกลารตัวเองเข้าไปเรื่อยตัวเองเข้าไปเรื่อยตัวเองเข้าไปเรื่อยไม่เป็นไปตามจริงที่คนคาดคนเดาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปัจจักขัสิทธิ์ปัจจักขัสิทธิ์คือประจักษ์ ในใจของไข่ของเราเนะี่ยความจริงความเท็จมันจะประจักษ์ในใจของไข่ของเราเรายอมรับกรรมที่เราตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นผู้ที่มีกรรมที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ไปอาลวาดไปเกี่ยวข้องไปผูกพันอะไรกับกรรมของคนอื่นเอากรรำของตัวเองไปพันกับกรรมของคนอื่นโดยเป็นเหตุสร้างกรรมขึ้นมาใหม่นี่อันนี้ต้องระวังด้วย ต้องระวังกรรมใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นทุกระยะด้วยอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ที่แรกก็ไม่เลื่อมใสศรัทธาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนมะมฤคทายาวันไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธามีการนัดแน ก, กันว่าจะไม่ต้อนรับจะไม่ต้อนรับและทำเฉยบางอันเถอะทั้งทั้งที่เคยอุป ถ, มปถัมภสถานเฉยมาเอออย่างมากเราแค่ป้วนนี้ไว้ถ้าเพื่อนต้องการก็ให้เพื่อนแวะ เราไม่ต้องมีมนไม่ต้องเชื้อเชิญตั้งน้ําไว้ตั้งอะไรไว้โดยที่เราไม่วิ่งรับไม่วิ่งรับบาตรไม่วิ่งรับยีบอนไม่วิ่งรับอะไรหล ะ, ะไม่ล้างเท้าล้างอะไร ล, ล้างประบาทถ้าพระองค์มีความประสงค์จะแวะมาก็ให้ให้เป็นเรื่องของพระองค์บางนั้นเถอะนี่คือคิดคิดเอาเองเราจะเห็นว่าการคิดเอาเองบางทีก็ผิดร้อยเปอร์เซตบางทีก็ถูกครึ่งหนึ่ง บางทีก็เดาถูกทั้งหมดเหมือนไม่มีเหตุผลอะไรที่ทแน่นอนขนาดพระองค์กำลังจะแสดงทำให้ฟังก็ยังอ้างว่าโอ้ยเมื่อก่อนท่านปฏิบัติเคร่งครัดอย่างนั้นอย่างั้นท่านไม่บรรลุได้ท่านไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่พอเวลาท่านมายอนยานแล้วท่านจะบรรลุธรรมได้อย่างไรอ้เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยพูดอย่างนี้หรือพวกเธอเคยได้ยินเราพูดอย่างนี้มาแต่การก่อนอว่าเรา ให้พวกเธอตั้งใจฟังทมเราจะแสดงทำให้ฟังแล้วจะรู้ทั่วถึงธรรมของเราเมื่อก่อนพวกเธอเคยได้ยินได้ฟังจากปากของเราไหมเออใช่เราไม่เคยได้ยินเว้ยคำนี้เป็นคำแปลกเป็นประเด็นแปลกก็เลยอุตสาตั้งใจฟังอุตสาเฉยเฉยบังคับใจเฉยเโดยที่แท้จริงใจไม่รับตั้งแต่ต้นเห็นไหมเราดูของจริงกับของปลอมมันจะมีอะไรเป็นของแน่นอน ของแน่นอนมันมีข้อเท็จจริงอยู่ในตัวของมันพอตั้งใจฟังตั้งใจฟังใช่ไหมธรรมจักกับประวัตนาสูตรก็ยาวนะพุทธเจ้าสั้นทรงแสด ง, งยาวไปดูธรรมะจักมันไม่ใช่สั้นๆ น, นะยาวททรงทรงแ ส, สดงถึงถึงทำที่สุดหมดถึงทุกขสัตถ์ถึงสมุทัยสัตถ์ถึงนิโรธสัตถ์ถึงนิโรธคาไินีปฏิปทาครบวงจรอยู่ในนั้น ที่เรียกว่าอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้ง4ี่มันมีทั้งทั้งเหตุเพื่อสุขมันมีทั้งเหตุเพื่อทุกขพวกเราที่เรามีความทุกข์ทั้งหลายทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกพบทุกชาติทุกอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยมันเป็นผลมาจากเหตุอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่ตัวตัวทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่เหตุตัวทุกขตัวนี้ เป็นผลเพราะฉะนั้นตัวทุกขตัวนี้เราจะแก้เราจะต้องย้อนไปแก้ที่เหตุเนีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกขแล้วก็แสดงเหตุทุกขสมุทัยนี่เหตุให้เกิดทุกข์เสร็จแล้วก็ทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข น, นิโรทคาม่นีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกขแสดงไปเท่าไหร่ปฏิบัติ ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ระ ง, งับได้มากได้น้อยไปเท่าไหร่นีโรทะนีโรทะคือทุกเหล่านั้นก็เริ่มดับเริ่มดับเริ่มดับเริ่มดับเริ่มดับพระองค์ทรงแสดงครบวงจรนะทําให้พระัญญากุลธัญญะส่งกระแสจิตไปตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอ้ใช่เข้าถึงความจริงจิตของพระอัญญากุลัญญะเข้าถึงความจริงเข้าถึงกระแสธรรมนี่เข้าเข้าถึงกระแสธรรมเบื้อ ง, งต้น เห็นสภาพตามความเป็นจริงท on ั้งหมดไม่มีอะไรเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายามาปิดมาบังมาหลอกมาลวงเห็นข้อเท็จจริงเปิดเผยขึ้นมาที่ใจทั้งหมดนี่คือธรรมะคือสภาพตามความเป็นจริงเหนือการคาดเหนือการเดาเหนือการไปกะไปเกณฑ์ไปคาดไปเดาไปหมายพอจิตใจเข้าไปรู้ก็รู้ได้ทันทีโอ้นี่แหละอใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลก เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งอยู่มีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะไหมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยพอหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเป็นธรรมดาหมดสงสัยหมดสงสัยจิตใจก็ยอมรับเข้าถึงกระแสธรรมได้เป็นพระโสดาบันเห็นหม พระพุทธเจ้าท่านก็พอใจในผลงานที่พระองค์ทรงมาประกาศครั้งแรกโอ้อัญญาสิอัญญาสิวัตโพโกดัญโยโกนทัญญะเธอได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอเป็นอุทานหรือก็เป็นปลื้มปีติหรือเป็นอะไรอันนี้ก็สามารถมีได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมีไม่ได้แต่จะเรียกเหมือนเรา ม, มันเรียกไม่ได้ก็เรียกแบบภาษาของท่านนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอุทานจะเรียกว่าเออพอใจ พอใจผลงานที่เราได้บรรลุมาเอามาเผยแพร่ได้ผลเราเราพอใจทำให้คนอื่นพลอยได้รับผลตามเราได้พระัญญากนธัญญะจึงเป็นประจักษ์พยานเป็นสาวกองค์แรกสี่องนั้นยังยังไม่รู้เรื่องยังสับสนปนเปกั น, นอยู่จิตยังไม่ได้ดิ่งลงไปตามกระแสธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้น ท่านทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน6กเนี่ว่าวัน า, าสนารหะอสารหะเป็นวันแสดงพฐมเทศนาทีนี้พอวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8วัปปะพัทยะมหานามะอัตชิจิสสี่องค์นั่นก็เป็นไปตามหนึ่งเรมหนึ่งค่ำแรมสองค่ำเรมสามค่ำแรมสี่ค่ำได้บรรลุธรรมด้วยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรง ตะล่อมเข้ามากล่อมเข้ามาเกล้าเข้ามาเกลาเข้ามาได้บรรลุเป็นพระสวสดิบันฑ์วันละองวันละอง์วันละอง์พอวันแรมสีข่ำปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้เป็นสวัสดาบัณทั้งหมดวันต่อไปพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศน์การที่สองอนัตตลกคณะสูตรได้เป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดนี่คือคือการน้อมใจปักใจเชื่อ แต่ถ้าไม่เชื่อสยอย่างเห็นไหมอุปกะอุปกะอุปกาชีวะมาพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะโอ้ผิวพรรณของท่านผ่องใสใครเป็นาศาสดาเป็นครูของท่านเราเป็นสยามภูเอ้คนนี้ทำไมพูดโตแท้พูดใหญ่แท้แลบลิ้นปลินปลนปล้นตาถุยน้ำลายเดินผ่านไปเฉยนั่นเห็นไหม ท, ทั้งท่านพระพุทธเจ้าท่านก็คือพระพุทธเจ้าน่ของจริงของแท้ทองทั้งแท่งนั่นแหละ ด้วยเหตุที่เราไม่ได้เอาใจไปเชื่อไปปักใจเชื่อไม่มีความเลื่อมใสไม่มีศรัทธาในที่สุดก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตามไม่ไม่ได้ไปไม่ได้เสด็จไปกับยานของพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปด้วยด้วยกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรนอกจากนั้นยังแสดงท่าทีลังเกียจไม่พอใจอีกแลบลินพริ้นตาถุยน้าลาย <c oughs> เราฟังดูแล้วก็ดูแล้วก็น่าคำดีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไอ้พวกที่พวกเราที่มันตกค้างอยู่ในโลกเมื่อยินดีที่จะตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็เพราะเราขาดความสนใจในเมื่อเราขาดความสนใจความการที่เราจะมาไตรตรองใครใครวนศึกษาค้นคว้าวิจาร์วิจัยมันก็ไม่มีในเมื่อไม่ค้นคว้าวิจารวิจัยไม่ศึกษามันก็ไม่รู้ข้อเท็จจริง เมื่อไม่รู้ไม่รู้ข้อเท็จจริงสิ่งที่ทาให้เราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่จะเอามาถือมาปฏิบัติตามมันก็ไม่มีในที่สุดเราไม่ได้สร้างเหตุผลที่ไหนมันจะมีได้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตกค้างอยู่ในโลกเราก็ไม่ต้องสงสัยบรรดาพราหมณทั้งหลายที่ได้ยินได้ฝังและเกิดความเลื่อมใสศรัทธามันก็ตั้งใจน้อมรับฝังก็บระลุธรรมไปมากมายมหาศาลในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ แต่ผู้ที่ไม่ไม่บรรลุธรรมไปตามพระองค์ก็คือพวกนี้ไม่มีศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมเพื่อที่จะตั้งใจศึกษาทำปฏิบัติตามทำตามพระองค์นอกจากนั้นเราก็มีการมากแกล้งมาอะไรสารพัดเราเราฟังดูพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านเกิ ด, ดขึ้นทนอุบัติขึ้นถ้ำกลางลัดทิทั้งหลายที่เป็นคู่แข่งขันกันมาถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ทองทั้งแท่งก็คงจะเจะริญ งอกงามเจริญ ง, งอกเงยแผ่ไพศาลยืดยาวกว้างไกลามาถึงพวกเราอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเหตุที่เป็นของดิบของดีเป็นของประเสริฐเลิศเลอเป็นของอัศจรรย์จริงๆเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนจึงสามารถยืนยงคงอยู่มาถึงพวกเรานะเพราะฉะนั้นใครตั้งใจศึกษาทำใครตั้งใจปฏิบัติธรรมธรรมะก็จะจะเข้าถึงใจของคนนั้น ใครไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาเหตุที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยไปทำในเมื่อเราไม่ได้ทําเหตุผลที่ไหนมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ปฏิเสธกันไปมรรคผลไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีก็ไม่มีอ่ะไม่มีในหัวใจดวงนั้นดวงที่ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเนี่ยแต่คนที่เขาตั้งใจเลื่อมใสศรัทธาเขาก็จยิมยิ้มย่องอยู่ข้างในเขาเย่อเย่ออยู่ข้างในเออตกลุมพรางไป คนนี้เขาก็เดินไปได้สบายมีความสุขมีความเจริญเต็มเปี่ยมแต่สําหรับคนไม่เลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยตายเปล่าเกิดพบพระพุทธเจ้ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาถ้าเริ่มใสศรัทธาแล้วไปหมดไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าท่านขนไปหมดญานของพระองค์เนะ่ยขนไปหมด คำว่าคำว่ายานก็คือข้อปฏิบัติของพระองค์เนี่ยเหมือนกับรถเหมือนกับเรือเหมือนกับแพเหมือนกับอะไรเนี่ยขนพวกเราข้ามข้ามน้ำข้ามข้ามน้ำข้ามกระแสวัตจัข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ไปสู่ฝั่งนู้นหมดผู้ที่ตั้งอกตั้งใจศึกษาเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาจริงๆท่านได้บรรลุธรรมท่านได้เข้าถึงธรรมท่านได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปมากมายมหาศาล ยังเหลือแต่พวกเรากำลังตามเสด็จไปเนี่ยพยายามตะเกียตะกายเข้าต่างคนต่างได้เรือได้แพตามบุญญาบารมีของใครของเราตะเกียกตะกายเข้าไปอย่าไปปล่อยอย่าไปปล่อยความอุตสาห์พยายามถ้าเราปล่อยอะไรกระแสมันก็พัดทุบปองทุบปองทุบปองไปเรื่อยถ้าเราปล่อยความอุตสาห์พยายามทีไรเมื่อไรกระแสของวัตฏะมันก็จะพัดหัวใจของเราไปเรื่อยลอยทุบปองทุบปองทุบปองเหมือน สร ะ, ะอะไรที่น้ําแม่น้ํามันพัดไปนั่นแหละอแต่ตราบใดที่เรายังใช้เรียวแรงตะเกียกตะกายตะกุยเพื่อที่จะตัดกระแสน้ําข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นมันก็สามารถจะตัดไปได้เพราะฉะนั้นกระแสภายในใจของเรามั น, ม น, มนเรี่ยวแรงมันไหลเชี่ยวกระแสของกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ยถ้าหากเราไม่อุตสาห์พยายามถึงขนาดนี้ไม่ตะเกียกตะกายถึงขนาดนี้ชไหนเลยเราจะข้ามไปได้ สิ้นเวลาไปเท่าไหร่แล้วมันดูไม่เห็นอนะมันตีห้าสามสิบห้าตีห้าสามสิบห้าอ่าเรานั่งภาวนาไปจนหกโมงแล้วเราก็ลงไปเดินจนกลม <c oughs> อ้าวตั้งใจนั่งภาวน า, าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเหลือเวลาน้อยเดียวหน้าเสียได้อ้าวตั้งใจให้มากเขานะ สัรวมใจนี่มันถูกทั้งหมดกายมันจะขยับขยื่นอนยังไงมันก็รู้ตามได้หมดเราจะกําหนดเราจะว่าหรือไม่ว่ามันก็รู้ทันเพราะว่าแต่เราสัรวมใจใมันอยู่เราจะจับจับจับหลักว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเก้าแต่ละเกแต่ละเกพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรืเอเหยียบย่างเหยียบย่างเหยียบย่างซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา แล้ว แ, แต่เราจะว่าเอาแต่ถ้าไม่สำมรวมไม่อยู่สำมรวมใจให้ใจมันอยู่หลงตาท่านบอกว่าการเดินจงกรมนั้นมันอยู่ในอิริยาบทที่เราพิจารณาบทธรรมเราจะเอาบทธรรมไหนมาพิจารณาก็ได้พิจารณาอิริยาบทที่เรากาลังเดินนั่นแหละสำมรวมใจให้มันจ่ออยู่ในกายเนี่ยดู ดูคนเดินหรือสัตว์เดินหรือเราเดินหรืออะไรเดินดูสังเกตสังการพิจารณาในการเดินโยกกลมมันให้มันสงบอยู่ทําความรู้อยู่รู้อยู่กับกายของเรานี้เดินโยกกลมสํารวมสํารวมใจมาที่กายแล้วก็พิจารณาพิจารณาอิอริยาบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย เราจะพิจารณาไปในแง่ไหนเราพิจารณาได้หมดเดินเดินพิจารณาทำความรู้สึกอยู่กับความเดินกับการเดินเราเราจับหลักแค่นี้ได้แล้วก็ไปทำหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงตามนิสยัยตามอัธยาศัยของเราเราทําไปแล้วมันอยู่ดีเราก็ทําไปเดินอยู่กรบมันเป็นการเปลี่ยนอิริยบทแล้วมันอยู่ในท่าทีที่เราพิจารณาบทธรรมได้ดี พิจารณาเกิดพิจารณาแก่พิจารณาเจ็บพิจารณาตายพิจารณาปัญหาสารพัดที่เราประสบพบเห็นอยู่โดยโดยทำพิจารณาโดยธรรมแต่ระวังอย่าพิจารณาให้เป็นกิเลสถ้าพิจารณาเป็นกิเลสแล้วยิ่งยิ่งพิจารณาไปยิ่งราคะเกิดขึ้นเนี่มันไม่ใช่ธรรมแล้วยิ่งพิจารณาไปโทสะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ธรรมแล้วให้เรารู้ไว้นี่ไม่ใช่ธรรมรีบรีบดึงกลับ มาสํารวมรมะมัดระวังพิจารณาใหม่ย่อนมาที่กายของเราเนี่ยกำหนดพิจารณาที่กายของเราเนี่ยให้ใจมันอยู่กับอันนี้ให้มันค้นอยู่ในนี้ค้นคว้าอยู่ในกายของเรานี้สํารวมใจสรุปสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจสํารวมสติสังวรสังวรก็คือสํารวมสํารวมก็คือสังวรสังวรก็คือรมะมัดระวัง คำว่าระมัดระวังเอาอะไรมาระมัดระวังเอาสตินั่นแหละมาเป็นตัวระมัดระวังไม่พ้นสติสักอย่างอเพราะฉะนั้นเอาสติเป็นตัวมาสังวรเอาสัมปชัญญะมาเป็นตัวตามรู้รู้การสังวรมันเป็นบทธรรมทั้งนั้นแหละอ่าใครได้บทธรรมอะไรก็เอาไปพิจรารณาเอากาบ ลงไปเดินโ oh. hmm? อ้หืมมันก็ได้เดชุดหนึ่งชั้นแล้วหมดแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วตั้งใจฉันให้หมดแล้วนี่ <laughs>